เดินพอหายเมื่อยนะเป็นบทที่จะถามต่อไปว่าระหว่างที่บท4เอาอบท3มาตอนนี้เราเพิ่งได้3นะเนอะเราบท4มาใช้ตอนไหนนอนตอนไหนตอนเพลเลยเหรอหลังกินเพลแล้วใช่ไหมโอ้โห <c oughs> ไวเกินไปมั้งเอากลาคืนดูก็พอแล้วทั้ง5 6ชั่วโมงนะถ้าหลังเพลเนี่กวจะตื่นไม่ทันนะนใน3บริบทเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอีบทไหนเบาที่สุดเลขบทไหนหนักที่สุดใน3ริบทลำดับเลยอ้าว1 2 3จากเบาไปถึงหนัก รือจักหนักไปถึงเบาเอาอพร้อมๆกันเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเบาเบ า, เบาถัดหนัก ขึ ate, often, ride, primary, ้ wn, not, rine, ok on, fuera, World, นกว่าเดินได้แก่ระหว่างยืนกับนั่งอันไหนหนักอ really ันไหนเบาชัก ja น an> ั่งเลยบางคนบอกว่านั่งหนักกว่ายืนบางคนว่ายืนหนักกว่านั่งระหว่างการยืนกับการนั่งอันไหนทําได้นานกว่านั่งได้นานกว่าหรือยืนได้นานกว่าเพราะอะไรนั่งได้นานกว่าถ้าเทียบต่อข้ายืนเนี่ยมันก็คือยืนใช่ไหมได้ท่าเดียวแต่ถ้านั่งมันได้หลายท่าเพราะนั้นจะถือว่ามันเบากว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่มันเบาเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเอาคุณนั่งท่าเดียวเนียถ้ายืน10บนาทีกับนั่งท่าเดียวสินาทีเราเทียบอย่างนี้มันถูกือึง ถ้าคุณอบอกว่านั่งเบาคุณขณะเดียวกันยืนได้ท่าเดียวคึ้นเปลี่ยนท่านั่งไปทั้งสิบท่าเนี้ถือว่า ม, มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมจะสมมติว่าห น, น้าน่าจะเทียบว่ายืนท่ายืนท่าเดียวท่านั่งก็หนึ่งท่าเหมือนกันถ้าเทียบกันระยะสองอย่างเนี้ยอันไหนหนักอันบอเอา <c oughs> ตอนบ่ายนี้มีการพิสูจน์เกิดขึ้น <c oughs> เพื่อหาข้ อ, อะสาถินแต่ถ้าเทียบ หนึ่งต่อหนึ่งแล้วเนี่ยฐานน้าหนักระหว่างนั่งกับยืนเนี่ยอันไหนฐานน้ำหนักกว้างกว่ากันฐานรับน้าหนักเมื่ะนั้นฐานรับน้ําหนักนั่งกว้างกว่าจะไมจะเบากว่าแต่ยืนฐานรับน้ําหนักแคบกว่าก็น่าจะต้องเบากว่าแต่ว่าทำไมเดินจึงรู้สึกเบากว่าเพื่อนเพออะไรฮะ อ่าเพราะมีการเคลื่อนไหว <S <S เคลื่อนไห ว, เ, ไวเปลี่ยนแปลงไปมาเข้า ก, กฎของอะไรเข้ากฎใจรักดังนั้นความทุกข์เกิดเพราะเราไปฝืนกฎของไจรักนะถ้าหากว่าไม่ฝืนกฎของใจรักมากเกินไปเราก็ไม่ทุกข์อันนี้จังมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตามมันเรื่อยสบายกว่านั่งอยู่กับที่ก็นัน่งรถอันไหนรู้สึกสนุกกว่ารถกำลังวิ่งเน่ยนั่งในรถวิ่งสนุกกว่าเพราะมันรู้สึกว่าได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่นั่งอยู่กระที่น่าเบื่อ่ยอะไรก็ตามที่มันทุกวันนี้เราวิ่งตามกฎของใจรักเราถึงเหนื่อยเหนื่อยมากไง อันนี้จำก่อให้เกิดทุขัเนเหนื่อยคิดตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเรื่องคิดตลอดเวลาก็เหนื่อยอันนี้คือบางทีกฎของใจรักเราเปลี่ยนบ่อยเกินก็จะทําให้หมดพลังแต่ถ้านั่งที่จะให้มันได้พลังทางจิตแล้วบังคับกายไม่ให้ เคลื่อนเลยนิ่งอย่างเดียวแต่มันเกิดพลังทางจิตแต่าทางกายเป็นไงอบางคนก็ได้พลังบางคนก็หมดพลังอ่าอยู่ที่นั่งเป็นหรือไม่เป็นถ้านั่งเป็นก็ได้พลังทางกายได้จิตใช่ไถ้านั่งไม่เป็นก็หมดกำลังทงั้งทางกายทางทางจิตอ่าตรงนี้คือที่เห็นอย่างนี้ว่าเราสามารถเปลี่ยนกฎ ไต้ลักษได้โดยการทําให้เป็นคําว่าทําให้เป็นตรงกับความหมายในภาษาพูดของเราว่ากุศลกุศลแปลว่าทําเป็นพูดเป็นคิดเป็นเพราะนั้นในคําสอน3าประการท่านใช้ว่าสัพพปาปะสะการะนังเว้นการกระทําใดๆที่ทําให้เกิดความไม่สบายบาปนะแปลว่าบาปเว้นการกระทําใดๆที่ก่อให้เกิดความไม่สบายสอง ถ้าจำเป็นจะทำสิ่งนั้นด้วยความไม่สบายต้องทำอันที่สองกุศล ส, สู้ปะสมราต้องฉลาดในการทำทำสิ่งที่ไม่สบายให้สบายได้สามถ้าหากว่าทั้งสองอย่างจะทำให้จิตของเราเนี่ยเลื่องเก่าได้ขอให้ทำสิ่งนั้นระหว่างการทำความไม่สบายการทำจิตให้ฉลาดเนี่ยสิ่งไหนที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยหมดจดมากขึ้นอ่าเพราะนะั้นอันที่หนึ่งบอกแล้วว่าวามการไม่ทาบาปทั้งปวงเห็นสัพพะปาศาส ก, การไม่ ไม่ทําความไม่สบายโดยประการทั้งปวงอันไหนก็ตามไม่ทำทำให้ไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจทําให้ร่างกายใจไม่สบายอย่าทำสองถ้าจําเป็นจะต้องทําให้ร่างกายจะไม่สบายต้องมีกุศลเพราะฉะนั้นเราไปทํางานในไงทั้งวันมันจะสบายได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าทำ ถ, ถ้าเราทําเป็นไดไงก็สบายบ้างอ่าเะนั้นคนก็ทํางานแต่คนต้องทำ คุณนี่ทำงานราชการคุณนั้นทำงานชาวไร่ชาวนาทํางานรายการก็ไม่สบายอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าทําเป็นก็สบายชาวไร่ชาวนาถึงจะทำงานตามทํางานตากดแดดตากฝนถ้าถ้าเขาทาเป็นเขาก็สบายชาวนาก็รวยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ความสําคัญในพุทธศาสนาคือกุศลสร้างกุศลคํำนี้มาเพิ่งไปเก็ตสมัยเมื่อปีสองห้าสองหตอนนั้นทําเลือกไปต่อมาสเตอร์ดิกีที่ศรีลังการในะเรื่องของภาษาจนพักซัมเมอร์ แต่ละครั้งเนี่ยมาตอนนั้นสมรรทางปฏิบัติวิธีการของพ่อเทียนนะตอนพักเทอมปิดเทอมแต่ละครั้งจะไปพักอยู่เกาะหนึ่งอยู่ทางใต้ของศรีลังกาจังหวัดกอตรงนั้นเขาเรียกไอแลนด์ของประเทศเป็นเกาะเล็กๆนะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของพร ะ, ะกลุ่มหนึ่งที่มาจากเยอรมันพระกลุ่มนี้จะ<อ>เป็น <c oughs> กลุ่มที่ตั้งฉายานำหน้าขึ้นว่ายาณญาณสังวโรญานะโมลีญาณโปนิกะเคยได้คำนี้ไหม เคยดินชื่อนี้ไหมยานาุนิกะท่านญาณาปุนิกะเป็นพระชายามันที่สําคัญว่าท่านเป็นพระหรหัสนะท่านอยู่ที่ภูเขาแกนดีเนี่ยท่านแต่งนังสือเรื่องอวิมุตติมักนะวิมุตติมักที่เราแปลทางของการดูดพลธรรมาก็ถามท่านหลวงนี่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะหลวงพ่อคนหอายุ80ดส่าและญานาสัทธายานส า, านสัทถามว่านะเอ๊ะหลวงพ่อทั้งหลายที่มาจากกิรวันทําไมาจึงมาบวชอยู่ที่นี่ท่านบอกมาปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะแปลคัมภีพุทธศาสนาทั้งที่เป็นภาษาบาลีสันสกีและสิงหหน ได้ฮินดีเนี่ยให้เป็นภาษาเยอรมันโหเข้าลงทุนขนาด น, นั้นเลยนะต่อมาเมือ่อปี 2-2-6 สาเหตุที่มาทำเอ็มเอไม่จบเพราะว่าที่ศีลาักาเกิดสงครามระหว่างพวกสิงหง์นหงกัทมินลบกันใช่ไหม ระหว่างกลุ่มซีนเ์นโนเวยลบ ก, กันเผาเมืองกันนะฆ่พาผ้าตายเลยงานฆ่พาพ้าตายเยอะเลยงานนะั้นมาก็เลยรีบกลับเดียไม่กลับไปอีกได้ทำไม่จบครับได้แค่ปี2ปีสามยังไม่ทันขึ้นเลยน ะ, ะก็กลับมาก็เข้าปฏิบัติต่อช่วงที่พักอยู่ที่เกาะเนี่ยได้เจอชาวนักบวชชาวอาริทคนหนึ่งแต่ตอนนั้นท่านเป็นพระขาวหรือเป็นอุบายศกท่านบวชเป็นพระอยู่ได้4ปีอยู่ที่อินเดียทีนี้ก่อนที่จะกลับเนี่ยท่านมาถามเราว่าท่านบวชนานหรือย่างบวชเกือบสีภพรษาแล้วนะถ้ารู้ไหมว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรโอ้ ที่เรารู้เนาะอันนี้จะสีบ้างอันนี้มากมือองค์8บ้างอ่าพูดชง7บ้างอะไรบ้างทัานบอกไม่ใช่ตอนที่จะจากกันท่านเขียนคำคำหนึ่งแกนแท้ของพุทธศาสนาคือ skill in means mean t ตัว s นะ skill in means แปลว่าอะไร skill แปลว่าทักษะใช่ไหม in means in แล้วก็ mean t ตัว s ทั้งประโยชน์ะ skill in means แปลว่าอะไรอันนี้คือ สรุปคำสอนทั้งหมดของพูดศาสนาอยู่ในคำนี้เอามารับไปได้รงกระทั่งมาเกตหลังจากนั้นอีกสิบปีโอใช่อยากจะถามว่าแปลว่าอะไรเปลา่าซาไทยว่าไรถ้าใครชำนาญภาษาอังกฤษบ้างเยอะมือขึ้นจะได้ถามมาเกตตรงกับคำสอนพุทธเจ้าว่ากุศลสู้ปะัมปทาจงสร้าง